อเจลเก่าวั่าหระหอนิสัชชะสิกขาบทว่าด้วยการนั่งในที่รับเรื่องพระอุปนันทากักยบุตร289ยสสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่หน้าพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอุปนันทากักยบุตรได้ไปเรือนของสหายแล้วได้นั่งในที่รับกับภรยาของสายนั้นสองต่อสอง ครั้งนั้นสหายนั้นได้ตําหนิประนามโพลทนาว ouais. ่าฉนัยพระคุณเจ้าอุปนันทสกยบุตรจึงนั่งในที่รับกับภรรยาของกระผมสองต่อสองเล่าภิกษุทั้งหลายได้ยินสหายของท่านพระอุปนันทสกยบุตรนั้นตําหนิประนามโพลทนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยจึงพากันตําหนิประนามโพนทนาว่าฉนัยท่านพระอุปนันทสกยบุตรจึงนั่งในที่รับกับมตุคามสองต่อสองเล่า